ก็ต้องปวดคนี่ไหาไว้ปวกเลยก็คือทุกสถ า, ารเนี่ยยามสงบคิดเรื่องม้าบ้าอย่าทําเรื่องม้าบ้ามาทําไมครับกูคิดไว้แล้วเวาพวกเราผมไม่บริหารไอ้ร้านอาหารหรือห้างสรรสินค้าแนะจันดูแลห้างสรรสินค้าเอาร้านอาหารอยู่ผมก็คิดทุกวิถีทางเลยว่าลูกค้าแม่ยี่เง่าแบบไหนบ้างกูจะใช้อะไรบ้างที่สิงคโปร์เขาเรียกว่าพร็อพเบนบท์ดูกทุกคนน่ะคุณกดด้วยเมื่อไหร่ก็ได้ใช้รหัสพาสเวิร์ดเอายกตัวอย่างเช่น แอร์โฮสเตสเดินผ่านไปตรงนี้แล้วถูกบีก้นทำไงอีโนว์นแอร์ทำไงสมมติมึงเต็นทำไงมึงบีบีก้นตรงนี้ทำไงเห็นยัมึงตลึงเสร็จเลยรหัสมันมีเรียบร้อยมีอีฟมันคือโปรซิเจอร์โปรซิเจอร์สมัยไหนไม่ใช่ไอโาพันนมวยแม่งไอแม่งจะมีพวกดวนดอน มีเรื่อง What ี f เยอะมากในโปรเซชั่นใช่ไหมครับขั้นตอนมีหมดนะคุณเคยดูหนังตำรวจเมกันไหมก่อนที่คุณจะปุกเข้าบ้านใครมันจะทำตามโปรเซชั่ตลอดทุกอีฟเลยแม่งคำนวณดูแล้วถ้าคุณไปขับรถในเมกาคุณถูตกตำรวจจับงานแรกเลยคือมัอตนองมือจับโฟมอะไรไว้อย่าต้โมโลเขาสามารถยิงคุณทิ้งได้แค่ไดนยัย่ง เมื่พอตำรวจจับปับ๊ิดเปิดรถออกสตาร์ท ต, ตายหาเลยแม่คุณต้องรู้ก่อนนะนั่นิ่งๆและยอมเดี๋ยวเขาจะพูดกับคุณใช่ไหมเขาจะรอตำรวจคนที่สองมาคนไทยถูกยิงตายหาที่ LA เอเยอะแยะตายฟรีเรื่ไงไองเยอะแยะเสือวิ่เหี้า์ผูเ้เศรษฐีคนหนึ่งแม่งซื้อรถที่ l อเซื้อเสร็จับขับเร็วีเวแม่มูพอถูกตำรวจจับปั๊บแม่ก็ลงไปคุยกับตำรวจก็สตาร์ทเปียเขาางี่เลยผู้หญงด้นะายาที่เลยเขากางวีนี้ยเขจะฟ้องขึ้นมาผิดครับ ตามกฎหมายเอเอเมื่อถูกตำรวจจับคุณต้องนั่งนิ่งแล ะ, ะยกมือหากเปิดประตูออกยิงทิ้งได้เข้าใจยังที่คือพ่อเบ้นโค้ดเข้ามาไว้แล้วอ่ะมือโง่เองจะได้ของไม่ไหมไม่มจบเข้ <c oughs> รใจ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวจะไปผ่าเครื่องนะตอนนี้ผ่ามาหน่อยนึงนะเดี๋ยวหลังจะถ่าทันกว่านี้พอผ่าเครื่องเสร็จปั้มมก็ต้องเล่นเกมกันเกมเหมือนที่เราเคยอยู่ช่างกอนคุณเคยทำบัก คูบาจางก็จะสร้างสร้างปัญหาไว้ให้ให้มึง15นาทีแกเกมเล่ยอย่างเกมเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในไลน์นะเดี๋ยวไปวางยางไว้อันหนึ่งเพื่ออะไรอย่างซิมูเลตตอนตอนตอนคุณให้เวลาพห้มึง15นาทีขณะนี้โรงงานจะระเบิดแล้วตอนตอนตอนย่าโรงงานมีนิ่งคาบัยไหที่ระเบิดอินเดียคุณเจอแคสดี้แล้วยังระเบิดเพราอะไรน้ําหลเย็นย้อนกลับใช่ไหมครับ ชีวาวสองํามตัวที่พลาดเอาเงิเดียวตายหายทั้งเมืองไอ้ยังก็ให้ผมต้องซ้อมตอนตอนตอนตอนวิ่งกันที่มหาวิทยุกุ่งไอ้ยัไม่มีอะไรแค่เด็กๆหัดวาดภาพจินตนาการ น, น, นี่นี่เทมเอเนี่ยงี้พวกเราเ อ, อย่างั้นแหละเนี่ย <laughs> มันๆเห็นไหมนี่นี่ผมก็าพาผมขึ้นไปดูระเบิดเมืองก็เลยตัวผมมานี่ กูมีเสื้อตัวเดียวเลยไม่เปลี่ยนเลยเนะี่ยใส่อยู่ตัวเดียวเนี่ยขั้นตอนการเทมืองถือมือทําไมต้องทําให้เด็กดูให้เกิดความเลยนะทำ้าพภูมิใจใช่ไหมางานพวกนี้เช่งบฝึกอบรมด้วยวงไหมใช่งบฝึกอบรม <c oughs> ทุกคนมต้องมีโปรเจกต์แสดงให้เด็กดู น, นะหสาวออฟิสมสวยไหมใช่ไหมของปูนเห็นะห เนี่ยในออฟฟิศเปิดห้าคอนโทรลลูมเลยเห็นเด็กว่าได้ใส่ลูกเสือดิใครใครเนใครก็พวกเรานี่แหลพวกมึงไม่แหละเนี่ยนี่ไงบอกใส่ชุ่นักเรียนพวกมึงก็ต้องใส่จะมาทำอะไรแม่ทาเป็นทีมมึงอ่า้อเดีมึงดี้อคนหนึ่งกูเรียคุยเลยเฮ้ยมึงไม่ทีมเว้อพื่อ่าเนี่ยพวกกูไมเนี่ยเซียนเทสตอะไรพวกแม่งก็จีเด็กแม่งก็เล่นเงินสนันวันไหว มันไหมโคจี้เลยมีจีนแจกแล้วก็มีห้องเว้ยคืความมันเอาพัดลมเต๋าโปเล่นกันให้สนากขนาดน่ะเอและขอโทษมีกรรมกรนี่ใครใครกจกนึกถึงนี่กจกเดียจอกจกแบบนี้องค์กรไม่เปลี่ยนได้ไงถือว่าเขาเล่นด้วยอ่ะโคตรมันเลยนูนี่เล่นกั น, น, นนะกแหลรรกล า, านเนี่ย จะนันกจะกอใครเข้าไปนั่งเล่นได้เนี่ยบรรดาท่านรองทั้งหลายเจ้ั น, นี่คนง่งเา้าแ <laughs> ม่งใส่ชิ้นไกเเคยนนมันนี่ไหม <laughs> มันไม่น่าเือไงใช่เออเข้าไปเล่นเนียกูก็เล่นเงด้วยอ่ะความมันเออก็จะกอกู้เฮ้ยนี่ไม่สร้างภาพแ้วเว้ยอันนี้เล่นจริงวกแม่งมันเน <laughs> อันมันก็สร้างภาพเห็นไม่มไอหวันไอหวัน เฮ้ไ hey, <laughs> <laughs> <Sell hate> อทวีจินเนี่ยดูสิเซลเฮดขูใส่ชุดนักเรียนนะโคตรเท่เลยนะ้นะวาจะเอาลูกๆมาทงานม า, มาชิงแชมป์ร้องเพลงอในออฟฟิศ <c oughs> คุณทำ nghề ไ, ได้ทุกวันไม่มีความสุขอย่างมาทำงาน <c oughs> ใช่ปะ่ะนะครับสนุกสนานเฮฮาองค์กรสมัยใหม่มันก็เปลี่ยนไปเยอะเนี่นยชุดนักเรียนหรือว่าอาจารย์ก็เล่นของเข้าด้วยกระแจกวันนาฬิก า, าอะไรู้ณเนี่ย ดังชิปไอ้ขยะอยู่นอกห้องไม่ได้ยินเสียงเลยมึงก็เนี่ยแม่ร้อยกว่าบาททรมานกูใี่ไหมเนื่อมันเสียงมันดังชิดปโอเควะค่าโฆษนาแกบอกให้อะตัวบางไว้ห้องรับแขกอาจารย์ไะไครับคุณู่โฆษนาตราเสือได้เลยพี่นักการกีฬานั่งโน้พรมแพรมอ่ะนี่ก็จี้นี่ก็จี้ ไปสเคียนมิวเซียมใครไป ไ, ไหมอยู่ที่คลองห้าไซเอ็นอะไซเอ็นอะสเคียนสเคียนเซ่ผ่ <c oughs> านวลกิตไม่ถูก <c oughs> ทำไมต้องพาพวกเราไป <c oughs> เขาสอนเรื่องไนโตรเจน ผมก็เลยจะดีดจะดีดจะดีดปมด้อยในการศึกษาจากตัวพวกคุณคุณถูกการศึกษ า, ทาไทยปิดมาเยอะแล้วงั้นผมให้คุณ back to baby เกนผมขอให้คุณกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วเริ่มต้นกันใหม่สอนพวกคุณแบบชายเซ็นเตอร์ชายเซ็นเตอร์แปลว่าอะไรครับใช่กลับไปเป็นเด็กกันอีกครั้งหนึงกลับไปใส่ชุดนักเรียนเลิกมีเครื่องแบบ และผมก็จะเป็นครูสมัยใหม่ครูฝรั่งมันไม่ต้องนั่งอย่างนี้ครูก็ได้พุณมึงมันมนั่งค่อมหัวคูนีครูมไม่ว่าเลยคุณมึงเลยอะไรย่างก า, ารจะเป็นแบบแบบงไงก็ได้ครูเถียงผมดา่ามันก็โศกนาเทียเหมือนครูฝรั่งก็เคยเจอปะ่ะใช่ไหมคุณทําอะไรก็ทําเลยเดี๋วมันนั่งหัวร้องกันขอให้มีความสุขทุกครั้งที่หัวร้องนะครับนี่คือเซลล์สมองนะเซลล์เนี้อสมองไม่นจะมีเดนไรคือเส้นสายที่ต่อเ น, นื่องกันทุกครั้งที่คุณหัวร้อเดนไรเพิ่ม นั่นคุณอย่าฉลาดคุณต้องไปครับเรียนไปแล้วก็ให้โอ้อลทั้งวันมนึ่งมือเดียวไเรื่อยๆไม่ใช่แบ่งเครียดแบ่งเป็นมีู่ปู น, นึงเงินโคตรจี้เลยปู น, นึงให้ฝ่ายบุคคลนั่งหลังคอยจดว่าใครหลับใครคุยกันนึกคุณไม่เล่นได้หมดไอฝ่ายบุคคลแบบโบราณแผนโบราณฝ่ายบุคคลแผนโบราณไอเวรเครียดทิ้ดหายหมดเข้าใจไหม เนี่ยให้านั่งเล่นกันะนะมีใครใครดิลูกคู่คุณเนี่ยลูกคู่คุณนา่งเล่นกันที่ก็เข้าไปฝึกทดสอบเป็นความเป็นวิยาศาสตร์เนี่ยมองต่างมุมนี่เป็ผู้หญิงหรือผู้ชายหญิงก็ได้ชายก็ได้ใช่ป่ะเนี่ยเขานั่งดูมีเอสกีโมก็ได้บคนเข้าทำก็ได้นั่งเล่นกันสนุกสนานเท hey, ฮาฝึกวิธีคิดที่คนสูงเท่ากันไว้ ให้ไปเล่นไจโรเล่นเสร็จก็ต้องสอนก็จะสอนให้แล้วมันคืออะไรทําไมมันหมุนหน้าในลุงเห็นไหมลู่ที่ที่แข่งคอยข้อเสียคือลุงระดับนี้เยอะของคู่คุณหนุ่มกว่าเยอะเลยแต่ปรากฏ ว, ว่าของคู่คุณเช้งแพ้ลูล่แต่ว่าอะไรวะ <c oughs> <c oughs> เป็นคหนหุดื้อโอ้ยยิ้มเลยหยุดสจะจกเล้วลุงแงเช้งอยู่เรื่อยๆเยนี่ยนะหลักของพาราโบลาใช่ไหม ริ่งลงมาปัางเสียงลงมาตรงนี้นี่แล้วก็คุณครูเขาเสวยไหมมีนักเรียนมาใช่ไหมเราเข้าไปเสือกดูเขาใช่ไหมนั่งดูนะนี่มนุษย์โคมันย่องนี่พ่อลูกไปได้วยกันเป้าหมายหลักคุณผมต้องการเห็นภาพคุณเพราะคุณเนี่ยเดินไปกับใครลูกชายของคุณเองเนี่ยนี่นท่าของผมเออผมประทับใจก็คือผมเลือกการให้พ่อลูกเนี่เรียนอะไรก็แล้วแต่ร่วมกันไหมครับ เนี่ยพ่อจริงๆนุ้ยใชไ่ไอตู่ไอตู่เนี่ยลูกมันแม่มันมาไม่ได้เพราะมันวันธรรมดาเมืม่อครันเห็นภาพพ่อลูกเล่นด้วยกันเล่นถึงเล่นถึงลุงเล่นลุงเลยนะลุงจะไปนั่งปัน่นคงไม่ตายก็บุญแล้วลุงลุงปัน่นไฟฟ้าขึ้นไปไหมอย่างของพ <c oughs> ่อเล่งเล่นนิ่งนงนิ่งนงนิ่งน บ่อยๆเนี่ยนะเด็กๆ เ, เห็นมันเล่นบ้าประเด็นมันไม่ได้ใช่คุณรู้อย่างเดียวนะผมอยากให้คุณดู behavior ของลูกคุณให้ไปให้คุณเห็นความกรเฮียนกระหูมลือในการเรียนรู้ของเด็กผมต้องการให้คุณถอยตัวคุณเองเป็นเด็กสามขวบให้ได้ทําไมผมต้องให้คุณเป็นเด็กสามขวบทำไ ม, มช่วงนี้ทำไมครับอยากรู้อยากเห็นในช่วงสามขวบนั่นเองผมด้อยใเกิดขึ้นใกคุณแล้ว พอคนถามปับ๊บพ่อคุณก็บอกว่าอย่าถามลำคาญแม่คุณก็บอกว่าไม่อยู่ตูไปถามพ่อมึงลูกคุณก็เลยเด็นไดขดฉันผมก็จะแก้ผมด้วยห้คุณต้องทำตัวใหม่รีเฟรชตัวเองใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่พยายามสอดรู้สอดเห็นอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรคุณเคยเห็นคนไทยแล้โง่โง่ไหมแม่งสามารถเที่ยวกันได้ สามวันสิบสี่จังหวัดเคยเจอไหมท่วงตุดจีเนี่ยไม่หรือไปเทีย่ยวต่างประเทศคนไทยไม่โง่หรือไงสิบสี่ประเทศเจ็ดวันมึงกำลงทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมตื่นตีสีแดดตีห้้อหมุนหกไปที่สถานที่สำคัญยืนหายรูปเยี่ยวซื้อของขึ้นรถเจอที่ใหมย่ยืนถ่ายรูปเยี่ยวซื้อของขึ้นรถ เย็นแดกอาหารจีนพวกวันแดกอาหารจีนทั้งที่มึงไ ป, ปต่างประเทศกูบอกมึงแดกอาหารจีนผอกว่ามันก็ะตุนตีสี่แดกปีห้ารถออกหกโมงมึงอย่าไปเลยอย่างนั้นน่ะเพาะอะไรยังนี่เที่ยวอย่างโ ง, โ ง, โง่วงฝรั่งก็เที่ยวไงครับสามวันหนึ่งตำบลของพวกมึงแมงหนึ่งวันสิบสี่ตำบลไอ้ป้าเอ้ยมึงเป็นคนหยาบคนหยาบคือคนที่แม่งเก็บรายละเอียดไม่ได้เก็บประเด็น เจ็บไฮไลท์ไม่ได้เที่ยวครัป เ, ด, เ, ด, เ, ด, เ, ด, เดียวก็เบื่อใช่ไหมครับคุณเคยเที่ยวอย่างที่เดียวรันเนินพุ่งซึ้งไหมแต่ผมไม่เกาลันตานะครูเขาไปทำหาอะไรบ้างครูครูก็อยู่อ่าวนั่นอ่าวดียวแต่คูศึกษาแม่งเลิกเลยสอนลูกตั้งแต่เช้าลงไปดูปูดูปลาทีละไฟลั่าทีละสปีซี่เอาตารานกตาําราหอยไปนั่งสอนแม่งทีละตัวทีละตัวเย็นก็สอน Marketing มาคิคติ้งกัน ว่าถ้าเกิดมึงต้องมาทําการค้าอยู่หน้าที่เกาะลันตามึงจะเปิดร้านอะไรก่อนเป็นร้านแรกลูกนะแต่ขวบเนี่ยนะมึสอนแม่นิหายทําไงมึงทำอาชีพอะไรมึงดูพฤติกรรมคนลันตายฐานานแม่เป็นยังไงมึงจะไปขายของมันใช่ปบะมีฝรั่งมึงทำยังไงที่เดียวมึงคิดมึงคิดมึงคิดให้มึงทำนายค่าปีลันตาจะเป็นยังไงใช่ป่ะอยู่แม่เกาะลันตาเจ็วันใหม่ๆเมียบนที่หายต่งหลังเมียเริ่มเข้าใจอ๋อแม่เป็น learning style ของผม ต้องการให้ลูกไม่หัดเก็บรายละเอียดเก็บตรงนให้ได้เพราะงั้นเที่ยวกับแม่มึงก็ไงเอารันต า, าเห็นแล้วจะไม่ลูกใครลูกอะเกาะต่อไปอีเมลมึงซื้อโพสการ์ดดูก็ได้มึงไม่เคยได้ทราบซึ้งเลยผูกไหมที่ถ้าแม่มึงไม่มากูจะเก็บรายละเอียดอีกการ น, นึ่งมาแล้วต้องถึงที่เข้าใจยัง <c oughs> ไอหลันดาเนีมีชื่หอหลายอข้ไหมมีเยอะแยะมีปฏิบัติธรรมนี่เยอะแ ย, รรรยะแยไปหมดเลยนะนี่สุดท้ายคนคูณที่เปนแมงทำปูไม่เป็นเว้ยหลวงพ่อทำให้ดูดีทำไม่ดูชาไม่ดูนี่มานั่งทำรงแรงแต่อันนี้เือบวชเงินบวชอยู่กับเงินการไปป่าช้าคือให้คุณดูจิต ไอหนุ่มเสื้อแดงคนนี้แม่งหนุ่มทุ่งสงแม่งพูดมากพูดแหลงตายเลยโอ้โหแม่งพูดไฟดับเลยเนี่ยตัวเนี้ยแม่งแหลงตายแม่งพูดเก่งสุดท้ายคำสั่งของมันก็คือห้ามพูด3วันระหว่างไม่พูดเดี๋ยให้ดูจิตดูนิวรณ์ดูขันแหนดูให้ทานลูกเตือนาสัญญ า, าสังขารวิญญาณ เฮียพิรามีโอเคได้รุมก่อนเขามาร่วงวงด้วยเห็นไหมครับมีวิธีเยอะแยะไปหมดมีห้องน้ําเสร็จแล้วได้เนี่ยนั่งสร้างกันเนี่ยเรียบารช้าเห็นมีอะไรเลยาาก็แค่เสามาปักแค่ไห้มันกลัวได้หรอะแล้วมีพวกอะไรเล็กน้อยหาไปเพิ่มด้วยนะโอเคนะเนี่ยไปอยู่กันอย่างเงี้ยเห็นไม่ได้ น, น่ากลัวเลยมึงก็เดินไปเดินมาต้งหนังตึงหนงคืนนี่มีกุมารทองออกมาเล่นด้วยนิดหน่อยขอหวยเข า, าได้เนี่ยมันกุมารทองอยู่ เดินจงกรมเดินในป่าช้าเดินกันด้วยแย่ฉันข้ามไปเร็วๆให้ดูเนี่ยหลุมศพสามหลุมเรียงกันไปใหม่ผมก็ไม่ได้บอกหรอกผมบอกทุกคนไปตั้งเต็นท์กันตรงนี้ฉเฉลยแม่ก่อนเช้าก็จะยากเห็มีอะไรเลยหมาเดินผ่านหลุมศพหมาจะไม่คิดมากเลมยมือไม่คิดมากผีในใจมึงเนี่ยผีแม่งขึ้นมาหลอกมึงในใจมึงบ้าใช่ะเนี่ยขอแท้เนี่ย นี่ยนี่ยอะก็มีเสาเ น, นี่ยเนี่ยอันนี้คืผีฝรั่งแม่งขายยาบ้าตำรวจผู้หิงมันตายหน้าวัดเนหาไม่ไว้ตรงเนี้ยไม่มีโล่ก็มึงขุดได้เฉยเยนี่ยมันตักกฏกันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ย น, นีกระสอบเหมือนกันรอพพห้าตัวตายมีเมียสองคนตัดสินใจไม่ได้เมีย น, น้อยบอกว่าให้ยิงเม ย, ย, ย, ยหลวงทิ้งแต่รักทสองคนเลยยิงตัวเองตายมึงรู้คำาั่งหักของมันไหมแม่ เรื่องไม่ถือว่ามีหลวงหรืเมียนเลยที่ดิเียสละค่าตัวตายซะไอ้งโง่เอ้ยไม่รู้จักมาค้อบวกูคุณจะพามาไปเจอคงศิษย์คพีเบอร์หนึ่งเบอร์สองทะเลาะกันทำไงคมีเบอร์สามหยุดทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ขยะอย่างมันต้องอยาา่องอย า, างนั้นในคงสิษย์อะคุณรู้จักปะคงศิษย์คำพีอะไม่เก่งเว้ยโอยหายบวชเป็นพระก็ยังดีวะเสือลฆ่าตัวตายนายี่กะทิวัดเน่อะไรดู นี่แอีกหลุมหนึ่ง oh. มีหลุมนะ่ะเยอะนี่ก็เหมือนกันนะพ่อเขาขับรถชนลูกเขาเองตายลูกเดินข้ามถนนพ่อไม่รู้เ่เนชนเปียงไม่ใช่เห็นดูหน้าว่าลูกกูเองนมีตรพุตก็นั่งดูศสกไปนะี yeah. Yeah. น่เยอะยมีต้นยิ้วดูไว้นะพวกมึงเนี่ยเลอมีครแล้วมึงจํมั้ยแล้วมึ ง, ม, งมึงต้องแก้ท่าขึ้นนะเนี่ยควรพวกมึงแง่ <c oughs> เรเปลี่ยนเพศล้วยชาติต่อไปด้วยเป็นกระเทยเป็นตุ๊ก่อนแล้วก็มาเป็นผู้ชายเองผูห้หญิงเนี่ยกระหล่ำโซกแข็นแค่งไหมเนี่ยพวกคุณต้องไปนอนตรงนี้ห้ามคืนนะจะอนุญาตให้สี่ทุ่มเป็นต้นไปนะแล้วออกมาตีสี่โอเคไหมมีคนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นอยอยนเดี๋ยวไปดูให้ไปดูเนีหัดฝึกฝึกนอนกับป่าช้าอย่างเงี้ยฤทริชิดจะได้ขึ้นมามึงอยู่ตรงนี้ได้นะมึงไม่กลัวใครอีกเลย หรือด้วิขึ้นแน่นอนอันนี้นี่คือแฟนของในช่างแฟนในช่างเอามาด้วยนะผู้หญิงมีแม่งขยันกว่านะเอ้พวกนายพวกแฟนพวกเมียนี่แม่งตั้งใจกว่าอะไรเงี้ยเชงหมดเลยหรือยอยู่ตรงนี้ตรงนี้น่ากลัวน้อยกว่ า, าไหมอ่านี้ฝึดลำบากนิดเดงคนคนนี้ช่างกิน สั่งให้อดอาหารและมีคนทํากับข้าวด้ว ย, ใ ห, ย, ยให้แม่งทอดปลาเค็มโจดเปลี่ยนเลยน้ํายายแม่ยกพตเราก็ฝึกให้มันดูเวทลูปเวทนาสัญญาสังหารวิญญาณทอดไปเรือทอดไปเสร็จแล้วให้มึงก็มาเสิร์ฟชาวบ้านเห็นอย่างนี้เดชชิกมึตงนนมต้องอดทนไม่ดูก่อนเป็นเจ้านายคนมึงต้องอดทนมึงไม่อดทนได้ยังไงอดทนแล้วก็เสิร์ฟชาวบ้านเา้ามึงไม่ต้องกิน แลเห็นแล้วอาจารย์ก็พาเนี่ยครูพยาบาลมามึงเป็นคนปิ้งหมูกระทะให้อาจารย์เขาชี่วัดที่กินกี่มื้อก็ได้นะตอนซุ่มนือคุณว่ามันจะตายใเนีหยพยาบาลหน้าตายอย่างเงี้ยหน้าปิ้งเห็นไหมที่วัดจะมีพยาบาลเยอะนี่ไงพยาบาลคุณก็ปิ้งให้เขากินส่วนผมเมื่เป็นอาจารย์เนี่ยคุณก็หงวดหด้ลยว่าเพรว่าโอติ่ง ก็ผมส่คุณทำอะไรผมก็ทํำด้วยผู้ความแฟนเข้าใจป่ะรวดกูก็ดแล้วคุณจะงบ่นไม่ได้ผมก็อดเหมือนกันแต่สุดท้ายสองทุ่มเลยเฉลยว่าตกลงได้กินกับครูเขาจยัง <c oughs> <c oughs> ไม่เรียกว่าการสอบปรลมอันนี้คือแล้วเขาเผาศพข้างบนเนี่ยที่เมนน้าเหลืองมัณิยลดลงมาทียดตงิตงตงิตงตงิตรงรุๆๆงช้าพวกคุณก็ไปเก็บศพกันเขาใจะยังอิสย์ยัวจ ยังไงพวกมึงจะตายมึงแม่งไม่หัดตายก่อนตา ย, ยงไงวะห่ะคนเราในโลกนี้ยังไงแม่จก็ต้องตายใช่ไหมครับคุณกลัวอะไรวะพอคุณกลัวใช่ไหมคุณจะ ม, มีโรคกวดหลงอย่งคุณก็ไม่พัฒนาทีนี่ได้แล้วเดี๋ยวไอตัวพูดแม่งไอตัวนี้ยี่ยนี้สายเปลี่ยนแล้วจรดเปลี่ยนแนละ้วให้ดีขึ้นเยอะเลยพ อ, พอมันอยู่ในเหมืองแนละ้วส่วนไอ้พวกขี้โมโหให้แม่งขัดพระไอ้ ขัดพ้านะคนไหนโมโหมากขัดสงเสียนพะโคตรยากเลยฝึกไวเรื่อยฮฝึกนี่พี่ชัดชวานเนนะ t a n g e t ของเขาพี่ชัดนั่งสมาธิด้วยใช่ไหมสั่งลูกน้องทาอะไรตัวเองก็ทาไมครับมันร่วมเป็นร่วมตาย top n a g e m e n t ของที่เราร่วมเป็นร่วมตายด้วยทุกเกมทุกัาทุกคนฝึกกันนี้หมายไว้ปวหมดเมียกอก็มาเนะ เพียพี่ชัดก็มาเนะมาหมดมาแั๊นแก้งเลยพี่แมวดำอยู่บนหลุมศพเห็นมีะไรเลยนี่น่ารักไหมแม่งก็มาก็ลูกหัวบัญชีน่ารักเดีย ว, นนาาวเนี่ยมานงงตึงขาวๆเนี่ยเทวดาอันนี้คือโครงการอุ้มพระพระเนี่ยจบ พระนครเหนือเคมเอน็นพระนครเหนือพอจบเสร็จปั๊บผมบอกว่ามึงเดี๋ยเพิ่งไปหางานทําเลยบวชเป็นพระไปก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกพอมาบวชเสร็จปั๊บมันก็กลัวผีหนีไปอยู่ในกุฏิอาจารย์เลกกยไกหวันทําวิธีอุ้มพระยกแคร่แล้วก็เต็นจับพระมันนอนที่ป่าช้าเขายากฝึกอยู่สามคืนพระตนนัวนี้สบายไปแล้วเข้าใจว่าจิตว่างคืออะไรไปแล้วหดุบไปแล้ว เนี่ยจทย์มันจะเปลี่ยนไป น, นี่เลยมีเด็กฝรั่งเศสมาเที่ยวเมืองไทยนะฝรั่งแม่งสอนเด็กแบบโคตรเคลินเลยแม่งมันชิบหายที่เป็นเด็กไทยแบบนี้ทำไมครับเขาแถวนเอีเวนครูไทยแง่ทาลายสมองซีขวาเด็กอย่างสิ้นเชิงช่างแม่งเราไม่ตายหาย่าหรือพวกเนี้ยเขาเ้คเขาสอนมันนี่ยอุ้มพระเด็กหญิงเขาจะมาด้วยเนี่ยลูกฟักฟ้าช่างแม่ง ไอ้จานถ่ายภาพไอ้พวกจะติดวงวงไม่บ่อยมากที่หลุมศพพวกผีอยูเดี่ยที่เมนที่เมร์ไอ้จันจะพาขึ้นไปทีละคนแล้วไปดูกันเขาย่างศพที่อยู่ข้างในเอาอตาะาแกรงค่อยๆเคลียร์เหลือพวกมึงจะอยู่ข้างฟ้าหัดปงด้อย่างนี้ขายซ่าแล้วก็เจอผีบางเล็กน้อยให้เข้าใจชีวิตกันหน่อยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเนาะผี หลยอย่างอะไรที่คุณกลัวเดินเข้าไปหามันคุณกลัวผีคุณควรจะเจอผีบ่อยๆแล้วคุณจะหายกลัวใช่ไมเมื่อก่อนกลัวเมียไหมเดี๋ยวนี้กลัวยิง่งมือนเดิมโม้ทอันนี้ก็ทุ่งสงอั น, นี้ที่ทุ่งสงพาวันนี้ถูกเขาทุ่งสง ตอนธรรมสวดมนต์ในภูเขาน้า้าวทุ่งสงมากันเทียบมันนี่นะ น, นี่ก็เล่าให้ฟังแบบ ส, สนุกนะอ่าปัญารพวัญาหน้าเดี๋ยวใ่อเล่าแล้วกันนะอ่านี้ก็ดูฝึกวาดภาพไอ้รางยนี่ทำไมถมจะพาผู้ศึกไปฝึกวาดภาพถูกต้อง ผมต้องการเปลี่ยนคุณจากคนหยาบเป็นคนละเอียดคนหยาบเป็นคนละเอียดคนละเอียดหมายความว่าคุณรู้ลึกถ้าเป็นทำไมทำไมคุณรู้ไปว่าห้าทำไม 1, นะหนึ่ ง, งนะ ส, จจะสอน้พวกนี้ได้จบช่างกลยังไงเน่ยพวกนี้ใช่ป่ะคุณจะเป็นเนี่ยบวชชอบวชสอในช่างก็มีแม่ผสมจําจับประสมหมด่ะพวกมึงเนี่ยชีวิตนี้เรียนในเครื่องจักร จิตวิทยามึงไม่เคยเรียนเลยความละเอียดอ่อนมึงก็ไม่เคยเรียนพวกมึงแม่งเป็นได้แค่ช่างแล้วสุดท้ายมึงแม่งก็เป็นคนประเภทช่างมันเถอะเห้ยครับคุณไม่มีจิตวิทย a ในการคุยอยู่คุณคุณก็กลายเป็นคนช่า ง, ง, โ, งโง่ๆแม่งทําแต่งานถูกสขหลอกใช้ไปวันๆหนึ่งถึงเวลาก็งอนขึ้นมาแล้วพอเรียนเรื่อ ง, งหนักๆเรียนไม่ได้มึงก็เครียดแล้วมึงก็ประสาดแดกถูกไหมในช่างก็มาแซลมึงไม่ได้นะในช่างแม่งมาแซวพวกนี้ตบ ป, ปากแน่ถูกปะ โน no. มึงเป็นได้ช่างมึงก็ต้องมองเห็นคนเป็นคนนู้เว้ยถูกไห้ถ้าเขายุ่งแม่ขวางให้เรียกพี่ใช่ปะแม่ทํางานเป็นทีมแมมเป็นทีมจมับแว่มานั่งวาดภาพวาดภาพให้แม่หายเฮี้ยนหาหายความหยาบของความมันวิสวะลงยี่คือตึกโรงงานนี้นะแต่ผมไม่ช่วยอีกโรงงานหนึ่งแบ่งจบสินกันหมดเลยไม่วาดภาพทําะไรครับพนโรงงานนั้นจะสลับกัน ให้แม่งซ่อมเครื่องบูสลับทั้หมดอ่ะคือถ้ามันอาร์ตมากๆนะจับให้มั น, นวิตถ้ามันวิตมากๆจับให้มันเป็นซอฟต์คุณต้องบาลานซ์คุณต้องมีความบาลานซ์คุณมีช่างามากๆคุณไม่เข้าใจจิตวิทยาใช่ไหมมียคุณเบื่อคุณใจหามันมีมันมีงานวิในใจัยที่ทางไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกมาแล้วว่ า, อ, าอ่าชีพที่ไม่น่าเอาไปเอาไปเป็นผัวแต่ที้อาชีพอะไรวิศวกร มี38สามสิบแปประการที่ไม่ควรได้หัววิศวะผู้หญิงผู้หญิงกนนานจนาภิเษสรุปกันแนละโคตรจี้เลยอยู่ที่กนนาญจนาภิหลังว่าๆจะหามา่เป็นชีดนะเป็นใบติวแม่งแจกกันว่าอย่าได้ขัววิศวะรวมทั้งในเราด้วยหนึ่งดือ้อสองไม่มีรสสิยมในการแต่งกายเขาังสามปากมาหมอเข้าใจไหมครับ เนี่ยราเรีกเรื่องว่าบ้าว่าสามสิบสาประการที่ไม่ควรเราเป็นหัวเลยแล้วก็ไม่ยอมปรับปูเ น, นี่ยลุงพวกเนี้ยจับมาวาดภาพใหม่หมดเลยนะครับวาดใหม่ๆจะวาดอย่างโง่ๆวาดอย่างหยาบๆจะเก็บดีเทลรายละเอียดไม่เป็นลุงคนเนี้ยถ้าอยู่อเรการจะถูกปรับห้าสิบเหรียญ <laughs> เห็นขอนคุณเกงใหนเนี่ ย, ยลุวงวง่ โคตรด่าเลยใครยังเนี่ยของผมพงลุงเงินเลยที่แข่งคอยอ่ะของพกคุไม่หนุบหนุงมแม่งเจอลุงไปไปมาลุงเตียนง่ายนะลุงยอมอ่ะยุ่งแชงต้องเป็นทีมเวิร์วมากเพราะลุงนี่คือดีเช่นคนนที่ยกพูตีกันอยู่แล้วพอกลับพอกลับเข้าไปเป็นเด็กอย่างเดิมความักแบบเดิมมี้หครับถึงไหนถึงกันไหมครับาสั่งให้ตีเลยว่าตีด้วยเนียพูกมึงแม่งหนีครูด้วยไอ้เวคูจะร่วมตีกับมึงด้วยมก็รักกันเด็แม่งทีมเดียวกันด้วย จากมาวาดถ้าสรู ก, ก็สอนไหนเรื่องนะจริงมีเรื่องสอนเยอะแยะผมสอนเรื่นดูที่ใส่จากภาพใครมีข้อะ ค, คนจากการวาดภาพการใช้สีลายที่ตวัดต่างๆมันจะบอกที่ใสคนในร้ายหลายอย่างพอสอนถ่ายพอสอนวาดภาพเสร็จผมมีความเห็นว่าพวกคุณเนะี่ยว่าให้ตายหาแม่ก็วาดไม่เหมือนมึงเชื่อกูเหรอถ่ายรูปเอาง่ายกว่าเขา้าใจไหมก็เลยสอนเรื่องการถ่ายรูป แต่ก่อนจะสอนถ่ายรูปได้ต้องสอนเรื่องการจัดสีการจัดโครงสร้างการจับเบิร์ดไอวิวการจัดตัวสีอะไรเป็นไพรมารี่โฟกัสซคันดอรี่โฟกัสประทานผมสอนเรื่องสีให้คุณก่อนจนกระทั่งคุณกลายเป็นอาร์ติสต์แล้วจึงให้ถ่ายรูปทำไมจึงสอนถ่ายรูปเพราะเป้าหมายต่อไปคือสอนมูฟี่ก็คือยูริแ8กทำไมจึงสอนมูฟี่ไทยทด่ทไหมครับ สุดท้ายเขาต้องเก่งเรื่องถ่ายทําภาพยนตร์จะถ่ายทําภาพยนตร์ได้ต้องเป็นอะไรก่อนภาพนิ่งก่อนสติลโฟโตโกราฟี่ก่อนแต่ก่อนจะสติลได้ต้องทํำไงครับต้องรออิได้ก่อนวาดภาพได้ก่อนคนที่มีจินตนาการเรียนหนังสือเก่งลําบากเพราะเวลาครูบาอาจารย์สอนอย่างผมสอนในคุณจินตนาการตามได้ไหมคนที่ไม่จินตนาการแม่งจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยวิธีเรียนรู้คุณล้มทันทีหัดถ่ายภาพเอาไว้ที่หนึ่งในสามใช่ไหมครับ สีแดงตัดกับสีอะไรเนี่ยเลือกเนี่ยความลกของภาพอย่างนี้ภาพเสียแล้วพลังไม่มีอันเนี้ยดีขึ้นเห็นยังการจัดภาพนี่คือตูตัวสีใช่ไครับตัว C ีเห็น C ีหมการจัดตัวสีทั้งหมดเลยแล้วก็นั่งฝึกวาดนีใหม่ใหม่ไม่ได้รายละเอียดพอฝึกไปเข้าหลายหายครั้งเริ่มเก็บรายละเอียดได้สีแดงมีกี่แดงใหมใหม่ก็เป็นคนหยาบแม่แดงเดียว ปัหลังไม่ใช่สีแดงแม่มีสองร้อยห้าสิบหกล้านเฉดถูกไหมคุณต้องเริ่มมุ่งเนวเป็นก็คือคุเริ่มเก็บรายละเอียดเป็น <c oughs> มันมีการวิเคราะห์กันแล้วว่าเด็กเรียนเก่งที่จบออกมาเป็นแพทย์เป็นวิศวะเก่งเนี่ยตอนเล็กๆ เ, เนี่ยส่วนใหญ่เก่งว่าเขียนเก่งแกะสลักหมอหรือวิศวะที่เก่งๆตอ น, น, นเล็กแม่งเก่งเก่งวาดภาพเป็นนั่นเลนยด้วยเพราะเป็นคนที่อะไรครับ ไม่จินตนาการได้แม่งเก็บได้คู่คุ ณ, คณกลับไปสอนลูกคุณให้หนักๆเนุ้ยสอนว่าจะของจริงนอะไม่ใช่แบบแบบโง่ๆเนะอะครูตีกลอบไปให้เอาสีเทียนระบายนั่นคือควายประเทศไทยสอนเน่ยังนี่เอของจริงมามทำไมครับผิดถูกช่างแม่งเลยประเด็นไม่ได้อยู่ที่ผิดถูกประเด็นคือทำไมครับ <c oughs> มั่นใจที่จะเขียนออกมามั่นใจที่จะเขียนออกมานะเข้าใจนะ เด็กไทยแม่งต้องมีกรอบไปเขียนนะแม่งเป็นขี้ขาเขาสลารี่แมนนุกงเดียวเนี่ยไอ้เอาของจริงมาวางแล้วมึงวาดวาดกระเพเห็นปะ่ะวาดได้ปะ่ะเนี่ยออกไปจ้างวาดของจริงกันมึงวาดมึงถัดเก็บรายละเอียดมึงไม่ได้เก็บรายละเอียดไ ด, ไ, ดไม่ ง, มงั้นคนนี้แม่งในชางเนี้ย่นชางเนี้ย อ่คนนี้นิสัยไงมีตังเก่งในแลนบเป็นไงเรีย น, นอะไรอ่ะงนีงน้งียต้องเรียนหลา ย, ลายาศาสตร์คุณต้องรอบรู้หลายเรื่องคุณถึงจะบูรณาการหลายๆเรื่องเข้าด้วยกันได้ลายเส้นเป็นคนยังไงครับคนนี้ใช้พื้นที่ของข้ามได้เป็นประโยชน์ลายเส้นตะหวัดอย่างนี้ค่อนข้างเจ้าชู้ต้นโปรเจกต์มักจะดีมักชิ้งงานกูตอนไปกูรู้ เดี๋ยวคุณเซ็นไหมผมดูนั่งดผมได้รางวัลแกะสลักตั้งแต่อยู่ป .5 ใช่แล้วใช่แล้วผมศึกษานั่งดูตลอดเป็น psychology พี่เล็กอาร์ตเอน psychology ศิลปะและการดูจิตวิทยาคนสามารถคลิกแปลงเข้าไปสู่เรื่องการดูลายเซ็นก็ได้เพราะว่าปากกามันคือปลายกระบี่กระบี่สัมพันธ์จิตใจใจคุณเป็นยังไงไปลายลายเซ้นคุณออกมาเป็นอย่างนั้นผมดูลายมือคุณแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆทานายได้ละเพราะใจของคุณจะสัมพันธ์กับลายเซ้นไม่เกี่ยวเลยอันนี้ครูเรียนกูไปเรื่อยๆการศาสาดแม่งเต็มตัวหมดแล้วตอนนี้มึงเอาเรื่องอะไรอะ่ะคือผมอ่านหนังสือห้องสมุดจบ ทั้งห้องสมุดเดะมาร์กป .7 สร้างชื่อเลยอ่ะอ่านหนังสือได้ไวมากอ่านหนังสือเร็วมากอ่ า, า, าน Encyclopedia ภาษาอังกฤษตั้งแต่ม .21 มาที่หนังสือพินมาสัมภาษณ์ผมเนี่ยนั่นผมคนนี้อ่านหนังสือเร็วแล้วก็ไวแล้วอ่านเยอะด้วยแล้ววันวนี่เว้นอ่านที่หายวายป่วงหมดแต่คุณเชื่อมไหมผมอ่านหนังสือกําลังภายในช้า ถ้าผู้อ่านอย่างละเอียดจิ้บหรือกแม่งแทบจะเข้าไปนั่งศึกษาลรวเราแม่งพูดว่าให้เดินเดินเส้นจุดตรงไหนนี่กูถ้าจะยุดหนังสือแล้รกูกนั่งดูจุดกู <c oughs> ต๊ดต๊ดต๊ดต๊ดต๊ดเอยู่มุหน้าล้กคนลุงคนนี้ยังอยู่ในกรอบอยู่ลุงคนนี้ขี้ระแวงเนี่กูกเป็นใช่มมีเยอะ เนี่ยอันนี้หลังๆนะเริ่มอห็นไหมเริ่มสีแดงหลายๆสีเริ่มเก็บรายละเอียดและเริ่มดีขึ้นแล้วรู้สึกผมแม่งเริ่มเปลี่ยนแล้วผมก็แฮปปี้ขึ้นนเรื่อยนะเขาค่อยๆเชงเช ง, ง, งวาดกันหลายรอบนะเนี่ยเริ่มไอ้ผู้นี้ก็หาอเองด้วยตัวอย่างที่จะวาดเนี่ยโจทย์แม่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่นะลุงกูสุดยอดเลยไหมเนี่ยเซลล์เฮดทั้งหลายอันนี้อาจารสอนเรื่องการวางคอมโพสิชัน ให้ทุกคนหยิบกล้องมาถ้ามีชากับกาแฟมึงจะถ่ายกันยังไงวาดภาพเป็นยังไงวาดภาพก็วาดกันเรื่อยนะวาดวาดวาดวาดเสร็จแล้วก็มาประกวดวาดภาพมาดูนิสัยนะสี่คนนี้เนะี่ยเขาโหวดกันว่าถ่ายสวยดูภาพนี้อถ้าคนนี้เป็นคนเจ้าชู้กินแกเจ้าชู้นะถ่ายทีายที่แกเป็นเจ้าของภาพไหน ในสี่ภาพนี้อันนี้ทําไมคนเจ้าชู้เนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างอันนั่นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้เท่ยังนั่นก็เสียดายนู่นก็เสียดายเท่ยังสันดาลเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชูจะไม่ทิ้งเงยหลัว เขาจะเก็บไว้ว่าเคลื่อน ว, วนใหม่อีกรอบหนึ่งคุณก็ใช่ยังใช่ปะภาพไหนเป็นผู้หญิงถ่ายผู้หญิงเรียนคอมพิวเตอร์ปิญญาโทคอมพิวเตอร์อีจอยเนี่ยเป็นต่อถูกต้องไหมนะมองอกันออกเด็ดขาดชัดเจนโฟร์ไดกรมอีฟเดนเอลไม่มีอย่างอื่น ขยายยังดิจิทัลนอนออฟไอเราไม่แบบมันมากเลยไอพวกนี้คีเช่คีเชหมายความว่าเรียนแบบตัวอย่างคืออาจารยหายดูก่อนเนี่ยคีเชคือภาพที่เหมือนเหมือนคนอื่นเขาไม่เป็นนิดนิชก็คือแหกวงล้อออกมาใช่ไหมผมก็เริ่มพฤติกรรมพวกคุณละเดี๋ยวค่อยๆแก้ให้เดี๋ยวค่อยๆแก้สุดท้ายค่อยแก่แล้วอย่างนี้เนี่ยมันเกิดราศีกันย์คดาเป็นผู้หญิงก็นย์คดานผมเลจะแก้มันอยู่ วเลิสันดานคนเรกดสช่วันนี้หายแล้ววันนี้ชีวิตครอบรวเพอร์เฟกแล้วมันกับหัววันเพอร์เฟแล้วเมื่อก่อนนี้งิงแต่สันนอีกนะกระดาเหไหมยงยิงยิงทุัดทุตัดลยอีบอกเอ้ยนี่อกตัวมันอยู่ต้องงานเนี่ยวนนี้โอเคแล้วแฮปปี้แล้วหัวก็แฮปปี้แล้วแกเป็นคนคนปนไงที่แต่ละคนเดียงแก่ละลุงนี่ก็เลิกเจ้าชู้สักทีหนึงให้แนบเ่นกว่าเดิมขึ้นไปอีกอะไรบางมึงอยากให้คือืรู้มึงเจ้าชู้สุดยอดเจ้าชู้ต้องทำไหมครับ ไ ม, ม่ใครนึกถึงว่าเจ้าชู้นั่นแหละคือเซียนไม่ให็นใครก็รู้ลุงใช่ไมีเหมาะมีมากมีฟอร์มใช่ไหมแต่คุ้เพื่อจําเป็นเฮ้ยยังลูงนี่ยต้องสอนที่ดูเรื่องเสือการคลางตัวของเสือดาวให้ไปดู National Geographic เสือเนี่ยมันแรงน้อยนะเว้ยล้วลมันจะฟาดเหยื่อแต่ละตัวต้องวางแผลไหมครับคุณดูในหนังเห็นเสือมันฟาดวางง่าบ่อยจริงๆแล้วสิบเจ็ครั้งในครั้งเดียวไอที่เขาไปถ่ายมา ขฉีดยาสำหรบให้กวางไว้หน่อยหนึ่งแล้วมึงก็จยังเพื่อให้โจดแม่งจะคุ้มง่ายมึงไปเชื่อไอ้พวกหนังสาระก็ดีมากแม่งเมฆทั้งนั้นเป็นพวกมึงให้คุยถ่ายหลักกันี่พวกมึงก็สามเดือนกับมาจานครับผมไปสามเดือนเสือยังไม่ตัวปบกวางเลยโตเสื้อออนมึงก็ใจว่ามึงก็จับมาตัวนึงให้แม่งเฉเฉแล้วปล่อยเข้าโูงไปเดี๋ยวสัตว์แม่งรู้เองตรงไหนไม่สบายแค่นั้นเ๋ยวเสือก็ไ่าจะปบเขาจยัง ของพันนี้มึงอย่าเชื่อสื่อวุชนมากแม่งสุดยอดของการสร้างเลยอิศโจรโคตรบาปเลยนเนอยนึงไหมว่าจบนะเรื่องนี้นะแบ่งมันอ่ะต่อมาเพราะว่าสีทเทียนเสร็จปั๊บว่าสีอะไรครับนี้เดี๋ยวเลิกะเดี๋ยวเละทีนี้ละมึงจิตกับปากาแม่งสัมพันธ์กันเงี้ยมึงสิบเอ็ดเดนตายว่าเลยจาย์ดูเดี๋ยวจะดูพวกมึงไทรไม่นิ่ง ดูเรื่องการเลือกสีใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณยาลายเป็นคนที่เขาเรียกว่วิอราว่ะหมควา ม, ว, าา ว, ามว่าจะรู้ได้หลายาศาสตร์มากขึ้นคอนฟ idence คุณจะเลิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มทํางานมองโล่งกว้างขึ้นมึงคนนี้เป็นไงหนูเฮ้งง่ายสุดแล้วเนี่ยหนูเฮ้งเป็ไงไม่ต้องคิดเลยเออใจน้อยรือมองก็ต้องรู้แล้วแม่ ไมดเงเล่นนช่างมาจนเรื่องนี้ยัไม่รู้เลยเนี่ยอะไรย่างเนี่ยแต่ละคนไม่ก็ไม่เหมือนกันเนี่ยผมรับรองสิ่งนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยลุงเนี่ยนั่งอยู่ดีกันหมดเลยมันไหมเนี่ยคนนี้ที่คนอื่นมาท่ า, าไปแล้วแกหยุดไม่ท่าแรกในสภกทาหนึง่ง ไปใหม่ผมก็สงสัยเอยเป็นไรวะตลกคือคือค อ, อย่ารีบร้อนอัดไข่เจนเจนผมนั่งดูแป๊บหนึ่งปุดท้ายได้ได้คนเสร็จตนะ์แล้วแกเป็นคนว่าถ้าไม่ชัวไม่ลงมือจะทำแกจะได้คิดแล้วหลัแกก็ถามก็จะยังคนมันไม่เหมือนกันเลยนะนั่งดูอ๋อแม่งเป็นอย่างงั้นไอ้พวกนี้ลุยไอ้ใวใจร้อนไอ้พวกนี้ยแม่งเด็กมาไม่หมดหน้านเลยเรื่องวะไอ้เงิน มึงจะโทรศพัพท์เรื่องเรืองมึงโทรไปก็ไม่ว่าอะไรไอ้ น, นี่วาดตูดแกเลือกใช้สีดำคนใช้สีดำเป็นคนแบบไหนเรียนไหมอังโน<ฮ>มันมันหนึ่งอ่านเนยนว่าพวกมึงเนะนีย่ยแกแกร่างคิดอยู่โปรเซสตองการ thinking เด็กแกนีกค้คุณอย่าไปขาดเขาคุณรอตีผลงานดีๆออกมาจากแกลายนี้สุดยอดใช้กูกานก็คือเปลี่ยนไม่ใช้ สัมฤทิ์เถอแต่โคตรชอบเลยคนนี้แหวกวอเขาบอกไปแค่อเอียงแหวกวอบอกไปมีไรายนี้ทำไมต้องนั่งยีเพียนเว้ยเปนยีสีดวงบอกดูนนะนี่ยังคิดไม่เสร็จยังคิดไม่เสร็จไม่เป็นไรใจเย็นๆมีเวลานหนึ่งชั่วโมงทาอะไรก็ได้เพราะความยากของการคาสัาง่งคือจงวาดภาพอะไรก็ได้ครันั้นการเดชิชันเนคกิ้งการทิงกิ้งถ้าคุณได้คนคนนี้ไปเป็นผัวเขาจะทําไมครับคนเนี้ย ไม่แต่งพักพีหไม่นูต้องจับแล้วอย่างเงี้ยหาคอแกใช่ไหมครับจะไม่ให้ดิสซิชันช้าแต่ถ้าก็ดเล็กกโอเคเลยรอจเย็นๆรอนี่คนนี้เจ๋งไหมหนักแน่นแล้วก็ทำอะไรเป็นระบบไล่บนลงว่างเลยคนนี้เขาเป็นคนที่มีซิสเต็มพอสมควรเลยนี่ใจเย็นเอกอานเรื่องอื่นก่อนใจเย็นมากเขากำลังจะสร้างไอเดียโคตรนานเลยนี่ว่าตูดจ เมฆตัวเนี่ยมั น, น, นขี้เล่นแค่้นละเอะไรอย่างเงี้ยฟังนะอะไรด้วยใครจะเมกละนี่นี่อะไรเดียวอีกเร็วทีเชเดี๋ยวค่อยดูต้องมีนกสองตัวนกฟ้าและบ้านลิ้นทาเนี่ยโอ้แม่โคตรเลยขี้ติดน้อยมากเลยน้อยมากเลยสะท้อนสะท้อนชีวิตทั้งบ้านเลยยัง แม่ผ่านกามนี่เป็นนิวเฮกแบบแย่ไอตัวนี้แม่งใช้ดิ้วไอยุ่มคนเนี้ยแม่งแม่งม่งเช้งบ่อยมากไอตัวเนี้ยจบปวอคนคนนี้โดยนิสัยแล้วเนี่ยไม่ชอบซ้ำซากจำเจโดยฐานดวงน่าจะเกิดมิถุนาหรือธันวาหรือไม่กับกุมณาประมาณสามมันอยู่ในระนาก็สาดภาพลมคนคนนี้ห้ามนั่งเฝ้าออฟฟิศคนคนนี้จะต้องไ้จับโปรเจกต์ เป็นใช้โปรเจกต์แมจเมนต์เปลี่ยนโปรเจกต์ใหม่ให้คนนี้ทําคนนี้จะเป็นมือจากโปรเจกต์จะไม่ให้มือเฝ้าฐานทัพคุณต้องใช้งานคนเป็นเนี่ยคุณดูว่าคุณรู้ลเริ่มเลาแล้วเดี๋ยวหลังเอาดวงไปดูบททั้งบริษัทเลยแล้วตอนนี้ไอ้ผู้คูบสิบธิ์ผมแต่ละคนเนี่ยนะสีซีเมนดินะแม่งดูดวงกันได้ทั้งงานแล้วรู้ว่าไปถึงขั้นดูเป็นแล้วไม่ต้องมาถามคูแล้วครูสอนหมดแล้วเขาดูดวงกันได้แล้วไอ้วันเนี่ยตัวตัวตั้งตัวตีเรศิษฐ์เอกูเลยไอ้วันเนี่ยไอ้วัน มันพาดไปแล้วเย่ยจะออกได้ไงอ่ะครังนี้โครงการเราไม่รับคนเพิ่มแต่แล้วก็ไม่เอาใครออกเหมือนกั น, น, ก น, นเนี่ยแล้วหนูกสนานเฮฮนั่งวาดกันนะวนหลังว่างๆมันนั่งทำอะไรก็ได้นั่งตันนี้ห่วงเรื่องมือทำอะไร็นคนที่เก่งสกิลตรงนี้ใช้แฮนด์ออนแฮนด์โดยผมหล อ, อ ก, กนเนะนี่ยผมดูไซโคลโลจีงั้นแต่พวกคุณนี่รู้แล้วหร่าน้ต้องเปลี่ยนแทนนะอย่าอกพวกมึงเี้ยอื่นแทน หรือีังมีวิธีหลอกล่อเยอะต้องกลัวเป็นไซโคลจีทั้งนั้นเห็นนะทันันทันแล้วก็มาดูภาพกันเสร็จแล้วผู้คนก็โดยผมหล อ, อกอีกผมหยิบมาแต่ละภาพแล้วผมให้ตั้งตีมหรือถ้เป็นหนังจีนเรียกว่าให้เขียนกรอนข้างๆให้แมทช์กับภาพที่คุณว่าดออกมาผมมาฝึกให้คุณคิดว่าภาพนี้คุณจะนึกถึงอะไรใบไม้สีเหลือง ไ ม, ไม่ไม่มันต้องเป็นคติคบใบไม้ร่วงเฉยๆอ่อนต้องอะไรครับอันนี้จังทุกขังอนานตาเลยมันก็ว่าอะไรคือมึงก็ต้องแบบพยายามฝึกเรื่องให้เข้าเขาเรียกว่ามีตีมหรือมีซิราเนโอจะทาอะไรก็แล้วแต่ต้องมีซิราเนโอใช่ไหมให้มันแมทช์ให้มั น, match, มนสัมพันธ์ก็ต้องฝึกคือผมจะเปลี่ยนในพวกช่างๆตรงนี้จากคนหยาบมาเป็นคนละเอียดให้มีความละเอียดอ่อนกับชีวิตใช้ชีวิตให้เป็น ก็มีความสุขกันดีทุกคนนะายตสบายดีเนี่ยคราวนี้ก็ชนะเลื่อไปแต่สุดท้ายไม่มีคำว่าชนะนะทุกภาพได้ที่หนึ่งหมดเพราะผมไม่คนตัดสินคำว่าที่หนึ่งแปลว่าเป็นระบบ o อนอ f ฟดิจิทัลคือหนึ่งเรียนทังเนี้ยกูมีสองล่ะกูมีสองดิจิตเองถูดหนึ่งหนึ่งหนึ่งงงีสุดท้ายทุกคนได้หนึ่งหมดเลยคือได้สทมันจะตายชักเยอะแยะหมด อันนี้ก็ทีวะอะไรนะไอตัวนะมันโก่งโค้งเราอันนี้คนใหม่นะอันนี้เด็กตกมอเตอร์ไซแล้วก็หัวก็โหลกขาดไปก็เลยเอาโม่ไอ้หมวกกันน็อกเอาไว้ตรงนี้ใช้หมวกกันนกก็อกว่ไงไงวอย่างถตายไงเข้าใจยังมันใช้หมวกกันน็อกแบบไหนครับมอกใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ไปบวด คนคนนี้ก็เป็นผู้ภาคษาอ่านหนังสือผมเสร็จป่ะ บ, บวชอีกแล้วะลองผมจับคนไปบวชได้เยอะมากนะถ้าพวกคุณจะบวชเขาบอกนะเก๊ของเาพาพวกเราเนี่ยนี่พวกเราเลยไปเสือกงานบวชเขาขยายย่าง <c oughs> ต่ไปต้องเก็บรายละเอียดด้วยไปง่ายงงงงงเออเขาบวชหรือตกกะโหลกง่ามึ ง, ต, ง, ต, ง ต, มต้องคิดว่แต่ละครา้งท่พระเขาถามทําอะไรทําไมทําไมต้องขั้นตอนอย่างนี้คุณต้องเก็บรายละเอียดได้ถึงจะย ดูกูแล้วทุกเรื่องแม่เป็นเล่นนิ่งหมดเนี่ยทาไมต้องอย่างนี้ทําไมต้องแบบนี้ทำไมต้องไปยืนกันนอกวัดให้มีพระกรรมว า, าจาของคนพูดพ่ออะไรไห้ไหวไหยพระสวดวนไปทําไมอย่างเงี้ยเก็บต้นหลังผมก็จะส่งเสริมให้พวกคุณมีกล้องถ่ายรูปเพื่ออะไรครับเนี่ยพอเจ อ, อกี้ได้ไหมฮะอะ้าชาชาเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยอันตรายของพิสูจน์สามเณร บ, บวชใหม่รักผู้หญิง ไอเวรร้าสุดไปสวะที่นี้ก็สร้างห้องสมุดสร้างห้องสมุดนี่ไปอ่ารข่าวหญิงช่องช่องเจ็ดนี่หมาตุเมียที่วัดจะมีวงของขาวนี่เยอะมากเลยนะพวกเราว่าจะถ่ายรูปวงของขาวพวกนี้การสนุกนี่เยอะมาก หก็่ยางนี้เยะูมันมัูพมึงยังไม่ตื่นกันกูวะสนนานวาดสีดำอันนี้ก็ดีสอนไทยรู้สอนไทยนี้เมียนี่งมีเมียเ็นหลามีเมียสอนม่นามีเมียทั้งหมดเลยสอนสอนสอนเมียเป็นครูเมีแม่หูวอท่ผมสอนเยนยังพธีเลี้ยงดไอชิ้นี่เหรทําสบายมากเีใช้หนังเรืแมทริกซ์ นี่ก็สรุปรูปแมจิกให้ฟังโลกแมกชีนโลกของไซออนเทรนแมนเป็นไครสมิตคือกีเลตเทพพรมคือสถาปนิกใช่ไหมโฟเบสเป็นใครนาวี่เป็นไทยแล้โฟเบสก็คื อ, อความเชื่อศรัทธาหรือความเชื่อลล่ฟังเ น, น, น, น, น, น, น, น, น, น้นเนเนเ้นล่นเกมอะไรยังพวกคุณอะใช้ไมค์แม็กยัง ยังทําได้อย่างตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งวั่นสู่ความวิ็เลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนใช่ป่ะเรื่องคนอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็คือเล่นเลโก้เล่นยังยังยิงลูมาเล่นยังอ่าทำอะไรไม่เล่นลูกเล่นเล่นลูกเล่นเมียมามามาหมดแม่งโคตรมันเลยนี่ตะแก่ทําเห็นยังเดี๋ยวดูนะลูกทาชนะผมกำลางสอนให้คุณรู้ว่าไง อย่าดูถูกเด็กมึงอย่าว่าตัวมึงเก่งเด็กสามารถถอนหอกมึงได้ทุกวันมึงอย่ามาเด็ดขาดเลยันนมึงหยุดเมื่อไหร่เด็กแม่งอนงอกพวมึงโถ่คิดว่ามึงเก่งไงโถยเดี๋ยวมึงก็แก่เดี๋ยวมึงก็เสร็จเนี่ยลุงกูแม่งซ่อมหมมายแพ้เด็กก็เอทาเงแพ้เด็กดีไมโครเวฟดูงานใช่ดูงานปิ้งนะนงๆๆๆเนี่ยนั่งเรียนกันอย่างงี้ จันที่ไม่จําเป็นไม่อย่างนั่งเงินนี้เนะี่ยเดี๋ยวข้องสอนคุณท่านนี้มากกว่านั่งง้อมวงเงี้ยชีวิตเปนต่างอย่างนี้อย่างนี้คนอารมณ์นะล้อมล้อมวงท่านี้จะเอีกอารมณ์หนึ่งวิธีเด่นจะต่างกันโรงเรียนในโรงงานในว้าบ้านว่าไปนะอันนี้ของในสวีเินเห็นป่ะแม่มีครบเลยเห็นม่ะนี่ยเนี่ยคนจะเป็นเป็นแค่ตำแหน่งเลยว่าสวีเินเนี่ยตำแหน่ง เ, ง ร, เ, เรียนอเลยป่ะเนี่ยพี่ดีแบบเลย ก็ึงมีอะไรมาแม่งเลยกระดาษใบหนึ่งก็โผลอีสัตโจ๊กหมายว่ามีวารสารภายในยังลงเรื่องอะไรบ้างอ่ะใครมีคนเขียนมันขัดกันเขียนนุยขัดกันเขียนพัด่าเป็นบรรณาธิการคุณจะได้รู้อ๋อเลยนี้มันเป็นอย่างนี้วิธีคิดพัดกันเป็นทําะไหลาอย่างแล้วค่อยทำแล้วค่อยเช้งกันเนอะเยอะแยกไปหมดเคนะ เดี๋ยวหลายคนก็งงอาจารแม่งสอนเรื่องเมื่อก็ตรงผมย่ำทำอะไรเนี่ยเปลี่ยนยี่ให้เพียร์ให้ฝุดเป็นนักเลยนะนักเรียนรู้นะ